ฝนะังธรรมกูนะผู้ฝังธรรมย่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเคยได้ยินได้ฟังแล้วได้ฟังอยู่เรื่อยๆก็จะเข้าใจแล้วสิ่งที่ยังไม่เข้าใจบารเข้าความสงสัเสียได้รรผู้ฝังธรรมยศของผู้ฝังธรรมย่อมผองสส แล้วถามความผิดนถูกต้องกับกานเชาชีสิตตัวเองตลอดไปจึงจำเป็นต้องได้กินได้ฟังผู้ที่บอกความเทอดความจริงฟังหูหว้หูฟังเลาก็จะไปะเชื่อบางอย่างต้องไรทำดูก่อนการฟังทำไม่ใช่ฟังเพื่อจะเชื่อ ฟังแล้วไว้ทดาดูพบเขียวดูผิดถูกต้องสัมผัสตัวเองสิ่งที่ผิดที่ถูกเกิดจากกาจักใจเราตอนนี้เรเอาออกฟังท็ไปทาไม่ใช่ไปจำเหมือนกับจำก่อนหล่มก่อนเพลงว่าได้แต่ปากไม่แต่การสวด ขอถ้อ ย, ยพศสส่สวนมวลธรรมวัดเช่าวตบลเจนแล้วก็หมายถึงมองตนเตือนตนเห็นตัวเองว่ารูปไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่เชื่เอเลยทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสองขานไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดมาเที่ยงชินในเป็นทุกข์สิ่งในเป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวถตนของเรานี่คือปังทอมจบก็สูตรพูดแล้วก็ทำในใจไปด้วยอย่าไปยึด ว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนอย่าระยุดเ์ว่าความล็อกความเกลียดชังเป็นตัวเป็นตนอย่าทําตามงันมันเกิดขึ้นมาเป็นสังขามสมุทยัยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวต้นอะไรอย่าระยืดเวลามันล็อกก็ทาตามความล็อกเวลามันโกรธก็ทําตามความโกรธเลียผู้เสียคนมามากแล้ว แล้วก็เกิดขึ้นในกายในใจเหล่านี้ใจของเรานี่แบบต่ออนอื่นมาไปจุ่มไปติดอะไรมามากมายหลายอย่างในโลกนี้ต้องเป็นทุกข์เป็นโทษต้องเป็นประโยชน์ก็มีการชีวิตก็ใช่กายใช่ใจไม่ถูกไม่ต้องตาเป๋ตเปาะสุกซนจิตก็จิตสุกซนกายก็ซุกซน ไปตุดของที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นโทษต่อปล่อยตัว ใ, ใจก็มีมากเพราะไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองไม่แจ้ไขไม่เตือนตนไม่แจ้ไขตนไม่มีสติอาไปเจ้าบอกว่าให้แก้ไขตัวเองให้เตือนตัวเองให้มีสติ สติเป็นร่งตาภายในแตมีสติดูแลการดูแลใจก็เหมือนลูกน้อยมีพ่อมีแม่แต่ลูกคนใดมีพ่อมีแม่ก็เรียกว่าปลอดภยัยลูกอะไรก็ตามลูกหมูลูกห ม, มาลูกเป็ดลูกไก่ถ้ามีพ่อมีแม่เลี้ยงดูก็ปลอดภยัยไอ้เกีย๊ยวถ้าไม่มีผู้เลี้ยงผู้ดู ก็มีธรรมชาติมีพ่อแม่หมาก็ลักลูกมันหมูก็ลักลูกมันไก่ก็มันก็ลิกลูกมันนี่ไก่ปลาวัดสุกตเ ย, ยว่ไม่เชี่ยวจนลูกเงินกินเล้าจินเล่ า, เ, ลาเอารูปหมกก็ไม่เป็นปีก ก็จะอยู่อย่างนั้นม่ได้ต้องพาลูกหายกินเวลาได้พาลูกหายกินออกไปเหยี่ยวก็มาฉกกินเหมือนบินตามลูกมันแลาวเหี่ยวมาบเก้นมันก็บินตามเหยี่ยวไ ป, ต ก, ปตกลงมาขาดใจตายเลยแม่ไก่แล้วก็ลากลูกมันเหมือนกันจนหมดอกแล้วก็มีกวมหลอกเหมือนกันแล้วก็เช่นกัน เกิดมาได้มีชีวิตยอยู่นี้เพราะมีผู้ดูแลมาดูดนมนมจากนัออกง่งโอขมพ่อของแม่แล้วก็เรื่องดูด้วยความปลอดภัยดูเจ้าเปรียบเทียบสตินี้เหมือนพ่อเหมือนแม่ผู้ใดมีสติก็เหมือนกับอยู่กับพ่อกับแม่เคยพูดแล้วพูดอีว่ามันเป็นความจริงจริง ๆ, ๆ, ๆ ถ้ามมีชะดีก็เหมือนกับคนกำพ่ากำคอยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยหลงก็หลงไปเลยคนไม่มีพ่อไม่ีแม่ทางจิตเปัญ ญ, ญาถ้าเรามีชะดีจะเ อ, อเห็นเห็นมันโกรธเห็นแล้วอันตัวโกรธไม่ประโยชน์เลยเห็นในตัวหลงไม่ประโยชน์เลยเลยเห็นแล้วหวินทุกข์ไม่มีประโยชน์เลยเ แล้วก็มีสตินีทุกเป็นในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์มันมีทางไปในความโกรธก็มีความไม่โกรธในความหลงก็มีความไม่หลงมันเป็นทางสองทางเราเลือกได้มีสติเรารู้จักเลือกได้เหมืนอนคนมีตาอคนลุจักเลือกเดิน แต่ถูกทางเข้าลุกโค้งไม่ได้เลาตาเห็นงูก็ไม่ให้เป็นงูกัดไม่มีใครเดินเข้าไปหางูให้งูกัดตอนไหนนี่มีสติตเห็นความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นที่กาที่ใจก็ไม่ให้ความทุกข์ความโกรธประเจ็บปวดทำให้เจ็บปวดถ้าเรามีาติตถ้าไม่มีสติก็เจ็บปวดเจ็บปวดเพราะความคิดตัวเอง ความคิดก็เจ็บปวดร้องให้ได้เพราะไม่มีสติ จ, จึงจำเป็นต้องมีสติอย่าประมาทเพราะว่ากายใจมันลุยอยู่ในในดงของขมหลงดงเป็นดงเป็นป่าอวิชชาเป็นป่าความไม่รู้กาใครมีความไม่รู้ติดตู้ถูก ยองทำตามความผิดยังทำตามความถูกยังทำตามความรักความชังหรือว่าอยู่ในดงในป่าอาวิชชาเป็นป่าป่าในชีวิตเราเนี่ยป่ามันกับปูหลงน่ยมันมีสิ่งที่ละล่าอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีวิชาคือความรู้มีสติแล้วมก็มีแต่สิ่งล่าอยู่ในนี้ในความไม่รู้นี่ เพราะไม่โลเพราะไม่โลจงเกิดสังขารปุงแต่งสังขารเกิดพุงแต่งก็มัก็มีวิญญาณตาก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณจมูกลื่นกายใจมีวิญญาณไปเปิดไปเพื่อนอะไรบ้างซุขสนวิญญาณเหมือนดิงอยู่นิ่งไม่เป็นหยิบโน่นหยิบนี่วิญญาณที่มันเกิดกับกายก็จะจมันสุกสนไปเพื่อนอะไรบ้าง ไปติดอะไรมาเกิดวิญญาณเกิดนามลูกจะนามลูกกันมาท่มได้เจ็บปวดเป็นโุกเป็นทุกข์อะไรต่างๆแต่มันต่อไปจนเป็นภพเป็นชาติเปนโน่นเพราะไม่รู้ก็มีความรู้มีสติมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแลได้ปลอดภัย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 ฟังเริ่มนำไปทำดูเรียกว่าสอนให้ไปทำดูมันเจได้มันเปลี่ยนได้อย่างพระสวดมงสุคุน อ, อันิีจอมรสังขาลาอุปฐาพยายามทำให้ดไปชิตตวานได้ลดชันติเตี่ยสัมบูปัญโทสุขโขทักมงสุคุน้อยเงินได้ผ้าสาบงจีบวรมา อาจจะไม่ถูกต้องบงสุกุลมันคือบังสุกุลตัวเองบอกอนนีเจ้าสังขารสังขารเกิดขึ้นแล้วเนาะเนี่ยมันปุงแล้วเนี่ยอยู่ดีดีมันมาโกรธมาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ก็มาทุกข์มาคิดคมทุกข์ปุงขึ้นแล้วหรือเนี่ยปวดท่างไม่จะทําไมนมาคิดว่าตัวว่าตนหรือเนี่ยว่าคิดแต่ว่าลู้ฉันตีแค่ได้แค่ได้ เจไดอยู่เปลี่ยนได้อยู่แต่สังบูปจมูสุขโขเมื่อเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก็จะอยู่เป็นโสดปกติไม่ใช่ไปสักปังศุกแบบนั่นนะอันนั่นเหมืนเป็นพิถีหลีตองไปซนเรื่องคนตายเป็นเรื่องของการนอกตัวไปษาที่จริงมันเรื่องของตัวเรานี่ใม่บุญศุกุลตัวเ่ง มันจะได้บุญเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธบุญเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์กุศลเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่พิธีกเอมมาทำมาปฏิบัติกับตั ว, ตวเองอย่าประมาทชีวิตของเราเนี่ยวความเจความเจ็บความตายนำเข้ามายั่งยืน ความเจ็เป็นธรรมดาจะลวมพ้นความเจ็ไม่ได้อันนี้ความเจ็ของสังขารของหนามของรูปของหนามไม่ใช่ความเจ็มาเป็นผู้เจ็บยาวความเจ็ให้มันไม่เจ็บนันเป็นเรื่องที่เห็นความจริงเราไม่ได้เป็นผู้เจ็เห็นมันเจ็ไม่ได้เจ็เป็นทุกข์แก่ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บ ไปเห็นมันเจ็บไม่ได้เจ็บเพราะเป็นทุกข์ผวมเจ็บมันเจ็บกไไไไ็ไม่เป็นทุกข์ได้ไม่ได้ตายเพราะคมตายเห็นมันตายไม่ได้ตายเพราะควมตายเป็นทุกุภวมตายความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์อย่างเอาแล้วตัดสินแล้วเป็นมรรคโทษที่ตัดสินประหารแล้วชีวิตขอคนทำไม มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะรอหวันเจ็บหวันตายรอเจ็บก็ลองให้พ็าตายก็ลองให้กนตายก็ทุกข์ก็เหลืออยู่ก็ทุกข์ลองมอง้องให้เสียใจยถ้าเรามีธรรมะจะได้เห็นสิงเหล่านี้ตามความเป็นจริงแต่ความไมเที่ยงจะเป็นเที่ยงได้อย่างไรรูปนี้มไ ม, ม่เที่ยงเวทนามัก็ไม่เที่ยง ที่เป็นจุปเป็นทุกหนั้นมันไม่เที่ยงสัญญาที่มันจำอะไรมามันก็ไม่เที่ยงความโกรธวังทีก็กลายเป็นความสงสารทีหลังต่งาเคยตีน้องมันโกรธตกหวัวน้องตกลงไปคันนานนะเนาะพอเห็นน้องล้มลงไปเกียกขี้คนใน ดินคิดสงสารขึ้นมาทตนทีเลยเสียใจมากทุกวันนี่น้องควายไปกินหญ้าถนาเสร็จขมกลัวว่าควายจะไม่กินหญ้าที่ปล่ยนาไม่มีหญ้าเลยกินเพราะพปดเดียวก็ยิ่มเนี่ยน้องไม่เอาไปขี่วนเวียนอยู่กับโลไม่มีหญ้ากิน เด้นองเงทํามแม่กลัวเปลี่ยนยานผมกลัว่างกลัวแม่เมองเาไตีหัวนเดี๋ย <c oughs> ใ, ใจเลนะัโอยน้องเราเคะกลัวยิง่งหนอมันก็พูดหนอนอ้น้องามันชิดได้ทันทน้องก็ลองให้เขาบ้านเลยไม่เลเดียงควายเลยเราต้องงา น, นาไม่ได้ทำเนะยงานนาไ่ได้ันเลยมันต้องไปเลี้ยงควาย เราควายเข้าว่านโอ้ผมควายเฉีขึ Chicken, ้นไปบนว่านไล่ควายเข้าไปคอกหมดแม่ด่าไอ้ไม่พอคบหัวกันกินน้องน้อยน้อยให้เพิ่งเอานางเอาวัวเอาควายมดซะถ้งไม่รักน่องกูจะพามันหนีกลับบ้านเก่ากม่ออกกับมึงหนัโอ้ยเฉยเจมา มีไหมแหมเสียใจเพราะความตีลูกอย่างนี้ยเวลามันกอดตีลูกมันด้วยจังนาไปเจ็บไม่ว่าไม่เลียวขาดร้องใหโอ้ยโวิ่งกรดเบียดหลังเบียดหลังแม่ก็ยังจับแขนมาตีออออมันตีเราลูกเจ็บลอยไม่เลียวลอยมือเสียใจทีหลัง นอนล่องให้เฮาะตีลูกนีไหมนยมอาจจะนั่นนะวหวังให้ดีถ้ามีสติมันจะยับยั้งชั้งกิจได้ไม่ผล ผ, ล ผ, ล ผ, ลผันแผ่นแลนไม่ทำผิดทำพลาดได้ถ้ามีสตินะน้องตอไปเที่ยวประเทกินไปดูห้วยหลัง ดูไว้หลังก็เป็นบันไดขึ้นไปบนเขาเรามีผู้หญิงคนหนึง่งลูกอ้วลูกอยู่คนหนึง่งคนที่สองก็จับเข็นดึงขึ้นไปแล้วพ่อก็อุ้วนลูกคนหนึง่งแล้วก็ถือกระเป๋าว่าเป็นนักท่องเที่ยวหาดูหาอะไรต่างๆเหมือนกับเราที่นี่เด็กน้อยมันก็ปีนขึ้นไปก็เหนื่อยมันก็ร้องให้ มันก็ร้องไห้มันจะเหนื่อยนะมันก็ขนไปมาเลยสังเกตดูแวแม่ก็ลากขึ้นไปลูกมันก็ร้องไห้มันเหนื่อยมันก็พอลูกนั่งรมแม่มันก็แต่ลูกตกลงไปแร้วหลวงพ่อเดินตามหลังไปพอดีเลยจับแดงนวขึ้นมากอดไว้มันเลยแบบไม่ไม่ไม่กล้ามาตีอีกกอดเล็กน้อยไปลูกมือลูกหัวมันกอดมันไว้แม่มันก็วงกับหลวงพ่ออยู่มันไม่กล้า ตอนหลกยดร้องไห้แม่มันก็ใจเย็นลงมาหน่อนึ่งลวพ่อก็ปล่อยออกไปมันก็จับเอาลูกไปเตะเล่าอย่างพอจะเตะอีกเดี๋ยวจีบวนเราอะไรมันทำอย่างนั้นทาทำอย่างนั้นเลยเวลามันโกรธไม่มีความสงสารกันเลยเวลามันลัอกกบงตัวแต่จิตใจทาความรับเสียผู้เสียคน เพราะฉะนั้นจงมีสติทุกเมื่ออย่าประมาทยอมสงบเราต้องฝึกยอมจึกริ่งจะลบได้ถ้าไม่ฝึกหัดอะไรเลยปล่อยตัวเองทิ้งควางอยู่เวลอะไรจอดมาก็ะดิบเบาความสุขความทุกข์ความรักความชังความดีใจเฉยใจยิ่งเราก็อยู่ดีอะไรต่างต่างมากมายไม่ปลอดภัยโผล่เป็นอะไชีวิตเรา ผมร่ายคมดีผู้ผูแฟดแฝนะเราจึงด่องฝึกฝนทนเด้งให้ดีๆอย่าได้อย่าได้ประมาทแน่นอนไม่เที่ยงแน่นอนเป็นทุกแน่นอนไม่ใช่ตัวตนจริงที่มันคลองกายของใจเรานี่ลูกไม่เที่ยงจริงใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปกครองไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนว่ายึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนผลภาคกลองของเราขอ ง, ของจใจก็เป็นทุกข์คมไม่สบายกายผมไม่สบายใจเป็นทุกข์วาตะชิงในไม่ได้ชิงนั้นก็เป็นทุกข์เอาพินแต่เอาทุกข์หมดลงโทษตัวเองนี่วัดว่าอารามณ์ เอาคำสอนใหะเจ้ามาสอนอย่างนี้มาบอกอย่างนี้ไม่ทุกข์อะไรเล ย, เลยไม่ต้องโกรธก็ได้ในชาตินี้ไม่ต้องทุกข์อะไรก็ได้ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองให้ตัวเองเป็นทุกข์กันโทษไม่ต้องปีนเบียนคนอื่นให้คนอื่นเป็นทุกข์คนโทษเชิงอื่นก็ไม่ทำลายเล ย, เลยอยู่ด้วยกันมีแมตาคนนมา แม้แต่ที่นี่มีหลายก็เราจะไม่เบียดเบียนอลไรทังนั้นนอนอยู่ก็ติมีลายไม่หนูมาล้วก็ไม่เบียดเบียนหนูแวกว่อนเรานอนอยู่ไม่มีมุ่งกลางอะไรมานอนอยู่ข้างบนนี่บ่งมันหนักตึ้งอย่างเนีเราจะลุกขึ้นมามามเห็นมัก็ไม่เห็นไม่ห น, ไม ห, นหนูยังมาเล่นอยู่ อชอบงอยเรามานอนอยู่บนตกบนขาบนตัวเรามาันก็จะอุ่นอา้าวเราก็จะลักหนูมีอะไรอีกมีอะไรอยู่ในนี่ในในแผ่นดินเ น, นี่ที่นี่เราจะมีความลักทุกอย่างมีผีหรือเราจะลักผีมีเปดหรือเราจะลักเปดถ้ามันมาทําเราเราจะมีความลักมันจะไม่ลังเกียรอะไรเลยว่าจะเป็นยังไง ในโลกนี้เราจะอยู่ได้กับทุกอย่างจะไม่บเบียนอะไรเลยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราจึงไม่เปิเปื้อเพื่อนกับสิ่งที่ชั่วที่เร็วเราเป็มีที่พึ่งได้ถ้ามีอะไรที่ทำให้เป็นกวากระทุกบกระเทือนทางจิตใจเสียายว่าทำบาปทำกรรมก็จะเป็นกรรมติดตัวไปเป็นล้างออก ไม่เราจะตายตายไปก็ไม่กระทุกข์กเทืนอนเลยเคยตายเราไม่เคยทำบาปทำกรรมอะเลยเอมันมาถึงเทนานี้ก็เท่านี้นะแา่นี้ไนดะ้ชีวิตเรานอนตายตายก่อนตายถ้า ต, ตายมันก็ต้องไม่มีทุกข์เลยต้องจะมีเรื่องดีเละ แอ้วดีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีรายเดือดร้อนอตายไปมีเทวดามาจับมือโอ้เชิญว่าสบายเออมีเอเอเทวดาเน่ยมีจริงน้อเนี่าจับมือเนี่ยใช่ไหมโยมเ <laughs> <laughs> ทวดาฮะนอนอยู่เทวดามาจับมือไอ้เอทวดามีจริงน้อเนี่ยสบายน้อเนี่ยเนาะ เทวดามันรักษาน่าเนี่ยอืมมันจับมือมันรู้จึกว่ามันชัดเจนดีเอ๊ะเทวดาจริงหรือเนี่ยก็เลยอ๋อเราเป็นไรเนี่ยเราเป็นอะไรไมาใช่เป็นไรนะลืนตาขึ้นดูมา ด, มาดมาูมันเฉีตุ่มนั่งนอนอยู่สตุ่มนอนนัง่นองอยู่ข้างเตียงเรานอนอยู่บนเตียงจับมืออยู่เราจะตายเราตอนนะี้ เออที่ว่าตายยิ่งฉันตุ่มเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเตออยอาจจะตายนะอ่าอ น, นั้นก็สบายไปเล้วไม่มีเดือดร้อนเลยแกเจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีคันเดือดร้อนเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีเป็นทุกข์มีปัญหาอะไรวิทบริสุทธิ์หมดจดเจอะเครื่องส่องหง ถูตนสอนตนอย่าประมาทเอจัดหลังพุทธศาสนามันมีมรรคหรือผลมันเป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นสวรรค์นิพพานจุดหมายปลายทางของชีวิตเราเพื่อการนี้วม่ใช่เกิดมาเจ็บมาเจ็บมาตายต้องให้เสียใจเป็นทุกข์เป็นชรมารย์นี่โลกแห่งความโศกโลกแห่งความทุกข์มันไม่ปลอดภยัย ชีวิตเราถ้าไม่ฝึกตนสอนตนก็เป็นคนปนเปกันหลายอย่างคนนี่ตกระโลคมาได้เป็นเป็ดก็ได้เป็นสุ่งรากายก็ได้เป็นสัตว์ทีละฉานก็ได้ที่ว่าคนมันปนเปย์รวมรอยรวมดีใหญ่เฉยใจไม่คลามงขวดโลภหลงไหนทีว่าคนปนเปกันมาทีก็เป็นอะไรได้คนมันปนกัน คำว่ า, าปนกันหลายอย่างควาร้ายควดีในคิดของเราเนี่วไมามั่นใจวิจัยก็ไม่มั่นใจมั่นใจตัวเองหอยใจไปห้อยไปเขียนด้วยกับอะไรก็ไม่รู้เป็นทุกความคิดเป็นทุกข์ประความคิดเป็นทุกขเพราะการได้เป็นทุกข์เพราะ ก, การเสียอะไรมากําหนดกิจใจให้วัตถุอันอื่นมากําหนดจอย้า่จริงนั่นที่มันเป็นไป ไม่ตามกำหนดก็เป็นทุกข์องของขาเขียจอยอันรเรียว่าคนชีวิตของคนปนเปนยนอยู่หนึงหน่งนั้นไม่เป็นตัวของตัวไม่ฝึกตนสอนตนคนหนึ่งไปสู่นรกได้เหมือนกับขนโคมากเท่ากับขนของโคไปสู่สวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคนิดน้อยเท่านั่นเองได้จิตประเภทนั้น ต้องเป็นมนุษใจ ส, สูงขึ้นมาดูอะไรเห็นอย่าหวั่นไหวง่ายอย่างก้อนแน่นคอนแคนดูจึงใดก็อย่าเพิ่งไปด่วนลอบด่วนปฏิเสธดูน่าดูหลงเรียวอนุษใจมันสูงขึ้นมาไม่ป้นอะไรง่ายๆนี่ปลอดภัย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 ถ้าคนนั้นใจต่ำเสือทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ผนได้พระใจสูงเหมือนหลงจุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นน่าจะเพียงคนยอมีสีทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาจใจสะว่างจะสงบถ้ามีครบควรเรียกว่ามนุษย์เพราะพูดถูกํำถูกคิดถูกทุกเวลาเปรียบปีดาคืนวันสุสัน์กิน อะไรว่าไม่ได้ต่อไปไม่ขี้อุดว่าต่ออาจารย์พุทธทาสสอนธรรมะานานก็เจิดวันอาบน้ำข้างเนืองมาทพิยินรได้ฟังเอาไว้ทำในใจฟังแล้วทําในใจเวลามาเกิดอะไขึ้นมาก็ทําในใจอย่ามันโกรธอย่าพึงด่วนโกรธอย่าพึงพูดในเวลาโกรธอย่าทำอะไรในเวลาโกรธอย่าจ้างชังจิตดูก่อน ถ้าข่มว้ไม่พูดในเวลาโกรธอย่าลูกอำนาจของควมโกรธถ้ามันจะโกรธเอลงหนีออกไปก่อนพาที่อยู่ด้วยกันคนหนึ่งพูดอันหนึ่งคนหนึ่งพูดสองสามคำก็โกรธกันได้เอาลงไปก่อนทิ่งไปก่อนหรือว่าหนีออกไปเลยถ้าเจียงก็หยุดเปลี่ยนนันที่หักดีบพลนมมุม มันโกรธไม่โกรธก็ได้ทำใจทำใจทำใจถ้าจะโกรธน็อหนึ่งหายใจเข้าขรู้สึกหายใจออกรู้สึกยยเยอะแยะเดินไปเดินไป้งไหนหอยจิตภาคออกไปซะก่อนอดทนสอนทนมันก็จะเก่งขึ้นมายิ่งถ้าเรามาฝึกกรรมาฐานนี่ยิ่งดีใหญ่จะได้ใช่เลย มีเครื่องมือที่ใช้ได้มีสติระเด็กเนื้อมือรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวล้มอะไรกวดไม่จับไม่กวดไปกวดบ้านรู้สึกตัวไปนู่นมันนั่งคุยกันสองคำสามคำนี้ไม่ได้ออกไปก่อนหนีไปก่อนอย่าไปถือสาหาเรื่องคนที่ผิดพูดผิดทำผิดอะไรต่างๆวางไว้ก่อนวังทีมันจะเหลือได้มันเจ้ได้ าเามแช่ไม่เปลี่ยนให้เป็นดีก็โกจนต่อยทุกจนต่อยหลงจนต่อยถ้าเราแช้เปลี่ยนให้มันเป็นรู้ช่มันก็ไม่ไม่ไปกกลมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ ก, กุศลเราทำเ ค, ควางโกดโลภของจะอ่อนลงอ่อนลงก็เกิดกุศล ข, ขึ้นมาแทนความดีขึ้นมาแทนสัมผัสความดีความไม่ดีก็เลือกได้ ชีวิตตัเลือกได้ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐเป็นพัฒนาได้เห็นช่องเห็นทางไปาปสวรรค์นิพพานได้เลยจิตของเรานี่ถ้าฝึกหัดถ้าไม่หัดก็มืดแปดด้า น, นรูที่รูทางอะไรวันนี้ก็ได้กำหนดตามเวลาสมาทานโอโซฉินวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สมควรพอดีแล้วสมาทานศินต่อไป